เจ็ดเสขิยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายธรรมคือเสขิยะทั้งหลายเหล่า อารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขครองสาวทีพวกภิกษุชาภคีครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างบ้างพวกชาวบ้านพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนจึงครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้าง ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉน ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่า 1 พึงทำความสำเนียงจบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงครองอันตรวาสกให้เรียบร้อยคือปิดบริเวณสะเดือบริเวณเข่าภิกษุใดไม่เอื้อวาระ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 2 เรื่อง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 สิกขาบทวิภังภิกษุพึงครองอุตราสงฆ์ให้เรียบร้อยคือทำชายจีวรทั้งสองให้ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุผู้มี 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 2 จบสิกขาบท 3 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้ ภิกษุอิชาภักขีเดินเปิดกาย 3 พึงสำเนียกจบสิกขาบทวิพังภิกษุภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินเปิดกายไป อนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 อนภิกษุไม่จงใจที่ 3 จบสิกขาบทที่ 4 เรื่องพระจัพภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า 4 พึงทําความสำเนียก จบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงปกปิดกายให้ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 4 จบสิกขาบท 5 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้น ครั้งนั้นนั้นพวกภิกษุชาภักขีเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปใน 5 พึงทําความสําเนียกว่าจบสิกขาบทวิพังภิกษุพึงสํารวมดี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 เราจักสำรวมจบสิกขาบทวิภังภิกษุ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 6 จบสิกขาบท 7 เรื่องพระจักรพรรดิสมัย อารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขครองสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีเดินมอง ไปในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินมองดูคือ 1 ไปภิกษุไม่จงใจไปไป 2 ภิกษุ 7 ภิกษุ 7 จบสิกขาบท 8 เรื่องพระจัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระ พึงสำเนียกว่าเราจักมีจักสู่ทอดลงนั่งในละแวกบ้านเรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงมีจักสู่ทอดลงมองดู คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 8 จบสิกขาบท 9 เรื่องพระชัฏฐภคีสมัยนั้น อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี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 เราจักไม่นั่งเวรผ้าในละ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 10 จบปริมณฑลวรรค 1 จบ 2 อุจจักริกวรรคหมวด สิกขาบทที่ 1, 1. เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ เรื่องพระจัพพคีจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่ควรหัวเราะคือ 1 เรภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 5 ภิกษุเพียงยิ้มแย้มเมื่อมีเรื่อง 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 1 จบสิกขาบท 2 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระ ครั้งนั้นพวกภิกษุชาปกขีนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านละถึงพระบัญญัติ 2 พึงทําความสำเนียก อนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุ 2 สิกขาบทที่ 3 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ เรื่องจบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงพูดเสียงเบาไปในละแวกบ้านภิกษุใดคือ 1 เรภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6 ภิกษุวิกลจริต 7 จบสิกขาบทที่ 4 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้น ภิกษุชาภคีนั่งตะโกน อานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุไม่จงที่ 5 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระ สิกขาบทวิภังภิกษุไม่เดินโครงไปพึงเดินกายไปในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงไปในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎวาระภิกษุต่อเพณีไม่อาบัติคือ 1 ไม่จงใจไมไมไม 2 5 ภิกษุผู้มีจบสิกขาบทที่ 6, 6 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้น ภิกษุชาภคีนั่งครองกายในละแวกบ้านละถึงพระบัญญัติ 6 พึงทําความ ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งโครงกายในละแวกบ้านต้องอาบัดทุกกฎเอื้อเฟื้อนั่งครองกายในละแวกบ้านต้องวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบท 6 จบสิกขาบท 7 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า พระบัญญัติ 7 พึง ภิกษุต่อคือ 1 ภิกษุไม่ 2 ภิกษุไม่ 3 ภิกษุผู้ 4 ภิกษุผู้ 5 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้นบัญญัติ 7 จบสิกขาบทที่ 8 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีนั่งแกว่งแขน สิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงนั่งแกว่งแขนพึงนั่งประคองแขนในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งแกว่งคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ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 ครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีเดินคลงศีรษะทำคอจบสิกขาบทวิพังไปพึงเดิน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 7 ภิกษุต้นบรรยัดสิกขาบทที่ 9 จบสิกขาบทที่ 10 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั่งโคร่งศีรษะทำคอภัพในละบ้าน พระ 10 พึง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 สัมภัตตกวัคหมวดว่าด้วยการท้าวสะเอวสิกขาบทที่ 1 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค 1 พึงทำเรื่องพระจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงเดินเท้า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 สิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงนั่งเท้าสะเอวในหรือ 2 ข้างในระแวกบ้านต้องคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 2 จบสิกขาบท 3 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้ พวกภิกษุชาภคี 3 พึงทำความสำเหนียกว่าเราจัก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 เรื่องพระจัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค เรื่องพระชาภักขีจบสิกขาบท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 พวกภิกษุชาภคีเดินกระโยงไปในละแวกบ้านละถึงพระบัญญัติ 5 พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ อนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้อง สิกขาบทที่ 6 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้ เรื่องพระจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงนั่งรักเข่าในละแวกบ้านคือ 1 เรภิกษุไม่จงผู้ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุอยู่ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุต้น 6 จบสิกขาบท 7 เรื่องพระชาภักขีสมัยนั้น เกครงสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีรับบิณฑบาตโดยจบสิกขาบทวิภัง ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อรับบิณฑบาตโดยวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่ สิกขาบทที่ 7 จบสิกขาบท 8 เรื่องพระชะภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระ เสร็จไปแล้วบ้างก็ยังไม่รู้สึกตัวไปแล้วบ้างก็ยังไม่จบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงภิกษุใดไม่ๆต้อง อานาปัตติวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุไม่จง 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบท 8 จบสิกขาบทที่ 9 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มี เรื่องจบสิกขาบทวิภังที่คือ 1 แกงถั่วเขียว 2 แกงถั่วเหลือง ภิกษุคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 11 ภิกษุวิคคนจริต 12 ภิกษุต้น 9 จบสิกขาบท 10 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้ ละถึงพระปัญญัติ 10 จบสิกขาบทวิภังภิกษุพึงรับบิณฑบาตทุกกฏอนาปัตติ ภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุต้น 10 จบคัมภกตวัค 3 จบ